แล้วเราได้เหวี่ยงเขาขึ้นบนที่โล่งริมฝั่งในสภาพที่ปวดและเราได้มีพันไม้เลื้อย เเปนน้ต้ตตวงอกกขขึคุมัาและเราได้ส่งเขาไปยังหมู่บ้านของเขาที่มีจำนวนแสนคนหรือเกินกว่านั้นและพวกเขาก็ศรัทธา ดังนั้นเราจึงปล่อยให้พวกเขามีความสุขสาราญชั่วระยะเวลาหนึ่งดังนั้นมูฮัมหมัดจงถามพวกเขาสิว่าพระพู้ใ้บานของพวกเจ้ามีบุตรหญิงหลายคนและพวกเขามีบุตรชายหลายคนขรานั้นหนึงองล้ลลละะว หรือว่าเราได้สร้างมาลายกาเป็นเพศหญิงโดยที่พวกเขารู้เห็นเป็นพยาธิเพิ่งทราบเผิดว่าแท้จริงพวกเขานั้นจะกล่าวความเท็จเท่านั้นจึงกล่าวว่าอาลัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดบุตรชาย และแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเท็อย่างแน่นอนอัสะทรลบุตริงแทนบุตรชาลกะนัมนหรเกิดะไรขึ้นแกกเจ้าทำไมพาจึงัดนกันเนนั้เจาไม่ไร่คงออัลลอฮงเลือกบุตรหญิงแทนบุตรชายกระนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้นพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ควรวญดูบ้างหรืออัมมมลละุลุนนบี หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานนั้นชัดแจ้งดังนั้นพวกเจ้าจงนำคัมพีของพวกเจ้ามาสแสดงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริ ง, จจงและพวกเขาเกล่าวอ้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระองค์กับ พวกินและโดยแน่นอนพวกยินรู้ดีว่าแท้จริงพวกมันจะถูกนำมาปรากฏตัวต่อหน้าล้อเพื่อการลงตัวมหาบริสุ์ยิ่งด่าวเหอจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง เนแ น, ال แน่นอนพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพ บ, บูชานั้นพวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้นอกจากพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในไฟอันชดช่วงว และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเว้นแต่เขาได้รับตําแหน่งที่ได้ถูกกําหนดไว้แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้เข้าแถวอยู่แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้แท่ซองสะดูดีอลัลลอฮฺ และพวกเขาเหล่านั้นกุฟฟาต์มักกะเคยกล่าวไว้ว่าหากเรามีข้อตักเตือนคำพีอยู่กับเราเช่นเดียวกับหมู่ชนในสมัยก่อนๆแน่นอนเราก็จะเป็นปวงบบาขอล้อผู้ซื่อสัตย์ ف ف แต่พวกเขาปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วพวกเขาก็จะได้รู้และโดยแน่นอนลิขิตของเราได้บันทึกไว้ก่อนแล้วแก่พวงบาวของเราที่เป็นาศาสนาทูต ว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือและแท้จริงไพ่ผลของเรานั้นสำหรับพวกเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นเจ้าจงหันเห อ, ออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึง่งและจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถิด แล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเองอพวกเขาเร่งรีบต่อการลงโทษของเรากระนั้นหรือครั้นเมื่อการลงโทษได้ลงมาที่หน้าบ้านของพวกเขายามเช้าของบรรดาผู้ถูกตักเตือนนั้นมันจ่างชั่วชาเซนิกระไร ح ح และเจ้าจงหันเหาะออกจากพวกเขาชั่วระยะนิ่งและจงเฝ้าคอยดูเถิดและพวกเขาก็จะมองเห็น ม, นบบบบ ม, มันเอง سبحان พระเจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้า พระผู้อภิบาลแห่งอำนาจจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างสันติจะมีแดบ่บรรด า, าศาสนาทุทั้งหลายและการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก